ที่หลวงพ่อจดจดมาเนี่ยมีทั้งคอสอชอปอปอชอสอปอชอกอปอปอชอสหลวงพ่อแล้วจะแถมเข้าไปอีกว่าตอ ต, อ, ตออีกให้ครบถีมเหมือนนั่นเออมีมากเหลือเกินแต่ถึงยังไงก็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 ขึ้นเก้าค่ำแล้อีกสักหกวันก็เป็นวันมาฆบูชาเพราะนั้นวันมาฆบูชาของพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่วัดป่าเวลุวันในบ่ายวันนั้นวันเดือนสามเพนพระพุทธองค์ไม่ได้นัดแนะพระสงฆ์แต่มาด้วยญาณทัศน์ยาณวิถีของแต่ละองค์เพราะว่าพระที่มาร่วมไปชมในบ่ายวันนั้น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 ในครั้งพระพุทธเจ้าเป็นประธานในครั้งนั้นในเมื่อท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ตั้งกฎกฎติกาแสปปปาปัสะอัคระนังการไม่คิดทําบาปทั้งปวงหนึ่งกุศลสูปัสัมปดาการยังกุศลจิตให้ใจบริสุทธิ์คิดในทางกุศลเท่านั้นกุสลสูปัสัมปดา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 หลวงพ่อว่าพูดได้ยังไงคิดได้ยังไงอันไหนเป็นธรรมอันไหนเป็นวินัยนะก็คงไว้ตามนั้นเลยจะไม่ดีกว่าหรือฮเอหรือว่าตัดทอนจะดีกว่าฮนอะันะนะนะนี้วันหน้าคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับชุมชนสังคมเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเน่ยพระพุทธองค์บัญญัติไว้สองพั้าห้าสิบแปดปี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 ออสัพปปาปัตสาการหนังซะก่อนนะกุศรัดสู้ประซัมปดาสะจิตตะประิโยดาปานังซะก่อนนะจึงค่อยตั้งออคิดออกฎหมายขึ้นมาปกครองประเทศชาตินะถ้าว่าพวกเราทําได้อย่างนี้ผงหลวงพ่อว่ากฎหมายออรัฐกฎรัฐธรรมนูญของประเทศชาติออถึงจะไม่ถูกใจของ ช, ชุมชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ถึงยังไงคน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 กฎกติกาใดก็ตามที่ตั้งขึ้นมาแล้วนะการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจนะ์หนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนพิสูจน์คนค้ายๆว่าไม่ไม่ว่าทัานไม่ว่าเราไม่ว่าหลวงพ่ออินนะีต้องอยู่ด้วยกันนานซะก่อนจึงจะรู้ว่าเป็นผู้มีสินหรือหรือไม่มีสินนะถ้าไม่ใช่ประเดี๋ยวประด้าเห็นการเออพูดดีแล้วก็ยกย่องขึ้นมา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 ขนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะจทหายา จ, จมลูกหลานทุกๆคนนะแต่เมื่อคราวครั้งหนึ่งท่านวิษนุเครืองามได้มาเยี่ยมวัดของหลวงพ่อพร้อมกับท่านบอวรศักดิ์อุวัน โ, นโนและก็ท่านชัยยศ เหมารัชตระ เ, เมื่อวันที่25ตุลาคม53นะหลวงพ่ออยากจะให้ท่านคูบามาอ่านให้พวกเราได้ฟัง่ว่าท่านมาเยี่ยมข่าวนั้นน่ะท่านมาเยี่ยมแล้วก็ท่านไปลงหนังสือเดลินิวอีกนะแต่หลวงพ่อคิดว่าคงจะไม่ผิดกระมังเพราะว่าท่านได้ลงหนังสือเดลินิวนั่นน่ะก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนเสียหายนะ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 เจ้าคุณอุบาลีหรือจันทร์วัดบรมนิวาสสนับสนุนให้เป็นพระอุปชาตั้งให้เป็นพระครูวินัยพรและส่งไปเป็นเจ้าวาดวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะได้อยู่สอนชาวบ้านแต่ก็ไม่ถูกอัธยาศัยอยู่ได้เพียงปีเดียวท่านก็ลาออกไปอยู่ป่าหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทศหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวหลวงปู่วิริยง